มาดูในอริยสัจทั้ง4ประการเนี่ยนะทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจทั้ง4ี่ประการเนี่ยเราก็มาขึ้นมัคคสั์แต่ขอทบทวนในทุกขอริยสัจเนี่ยนะทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจ อริยสัตว์ทั้ง4ประการเนี่ยนะอย่างทุกขาอริยสัตว์ก็คืออะไรทวนนะคือสิ่งที่เป็นไปกับชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวะทุกโทมณตและอุปายาสนั่นแหละเรียกว่าทุกขาอริยสัตว์เน่ยะย่อๆนั่นคืออะไรอุปาทานคันห้คันหเนี่ยถ้าขยายออกมาก็คืออายตนะภายใน6อายตนะ ภายนอก6วิญญาณ6ภาษา6เวทนา6สัญญาหเจตนา6ตัณหา6วิตก6วิจารณ์หกเนี่ยนนี้อีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าปิยรูปสาตรูปมันนะรูปสภาวะที่น่าใคร่น่าพอใจทั้งหลายปิยรูปสาธรูปนั้นถ้าแบ่งแล้วก็คือปัจจัยกับปัจจยุบันเพราะบางอย่างเป็นเหตุบางอย่างเป็นเป็นผล เช่นอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภ า, าภาษาเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะตันหา ก, ตหาก็ตันหาชอบสิ่งใดมันก็วิตกถึงสิ่งนั้นใช่ไหมก็ตรึกถึงสิ่งนั้นคลอในสิ่งนั้นอยู่นั่นแหละทั น, นทารอื่นๆก็เหมือนกันถ้ากล่าวถึงระบบปัจจัยเมื่อไหร่ก็เท่ากับแสดงปฏิจจ์แสดงทุกขะสมุทยัยอริยสัจอยู่ด้วย เพราะว่าตัวที่เป็นเหตุให้วัตะเชื่อมได้ยืดยาวตัวเหตุอันนั้นก็คือสมุทยัยเพราะฉะนั้นตัวสมุทัยเนี่ยสภาวะของเขาคือสภาพที่เพลิดเพลินนันะตัวที่เพลิดเพลินนั่นเองสภาวะที่เพลิดเพลินเพลิดเพลินในอะไรก็เพลิดเพลินในในทุกนั่นเองนะส่วนทุกขณนิโรธอริยศัสตร์เนี่ยหมายถึงการละ ละตัวนี้เป็นชื่อโดยลำพังศัพท์ว่าละมีอยู่5อย่างหนึ่งาทางค่าประหารสองวิคัมพณะประหาร 3. สมุดเชธประหาร 4. ่ปฏิปัสสธิเนี่ยนะศรณะนะ พระนิพพานนั้นเป็นนิสรณประหานะถ้าในบรรดาประหารนะห้านะเป็นสภาวะของพระนิพพานเป็นนิสรณประหานะแต่ตัวที่ตัวที่ทํากิจล ะ, ละสมุทัยนั้นคือสมุทเฉ ท, ทประหารนะอันนี้หมายถึงอริยมรรคอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์นะ แต่ทางข้าประหารเนี่ยถ้าว่าย่อๆก็คือศีลกับอะไรวิปัสนาเป็นแต่ทางข้าประหารวิคัมทนประหารคือสมถะที น, นี้สมถะกับวิปัสนาต้องเจริญควบคู่กันไปเจริญคู่เพราะนนั้ถ้าเจริญสมถะวิปัสนาจนควบคู่กันได้เมื่อไหร่นั้นเรียกว่าอริยมรรตตัวอริยมรรคเนี่ยเป็นตัวที่แทงตลอด พระนิพพานพระนิพพานตัวนี้แหละเป็นตัวที่ละความเพนะลิดเพลินนะละความเพลิดเพลินถ้าอริยมรรคไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่สามารถที่จะกําจัดความเพลิดเพลินเพราะว่าปยรูปสารูปนะมันน่าเพลิดเพลินยิ่งนักนะสภาวะของเขาหน้าเพลิดเพลินยิ่งนักจะต้องมีสิ่งที่สงบแล้วดีกว่าจึงจะเลิกนะ ก, ก็อย่างทั่วๆไปใช่ไถ้าเราจะจะจากที่ใดที่หนึ่งหรือจะจากอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะมันต้องสิ่งนั้นต้องดีกว่าใช่เราจึงจึงเลือกเอาอีกอันหนึ่งแทนเพราะสิ่งนี้มันมันเร็วกว่านั่นใหญ่ดีกว่าหรือย่ามันนะผู้การกว่างนนะว่า ง, งานใะช่ไหปฏิปัปสทีเนี่ยเป็นผลอริยผล นะปฏิปสัตยเป็นอริยผล น, นิพ า, านเป็นนิสรณะอันเดียวเอาสังคตะสังกตะไปปนกันไม่ได้ทีนี้โดยลำพังเนี่ยนะโดยลำพังเนี่ยทุกมีกิจเฉพาะของเขาคืออะไรกิจของทุกขปริญญาเนี่ยนะถ้าตรงตรงแล้วคือตีระปริญญา ตีรณะปริญญาอันนี้เป็นกิจของทุกส่วนสมูทัยนั้นเป็นกิจของปหาณะปริญญาก็ยังอยู่ในปริญญาแต่เป็นระดับปหาณนะส่วนนิโรธเป็นสัจฉิกิริยาคืออะไรทำให้แจ้งแล้วเอาอะไรมาทำกิจกําหนดรู้มาทำกิจละทำกิจทำให้แจ้งละ่ะ อันนั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคอริยมรรคเนี่ยเป็นสภาพที่ทํากิจในการทําปริญญาละและก็ทําให้แจ้งท่า น, นิาพพานเพราะฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยนะคออือขอไปสัมมาทิฏฐิอันแรกเนี่ยคืออะไรความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสัมมุทัยความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขานิโรธคาขาด ม, ม่มีปฏิปทาเรียกว่า สัมมาทิฏฐิเพราะในมัค8หรือสิ่งที่จะต้องมาปฏิบัตินะขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความรู้ในเรื่องนี้ถือว่ามาอันดับหนึ่งก่อน น, นะนะความรู้ในสิ่งเหล่านี้ถือว่ามาเป็นอันดับแรกถ้าความรู้อันนี้ไม่มีเป็นลำดับแรกนะความรู้ในทุกข์ไม่มีความรู้ในทุกขสมุทัยไม่มีความรู้ในทุกขานิโรธไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมัคไม่มีถามว่าเราปฏิบัติอะไร แล้วปฏิบัติไปทำไ ม, ไมแล้วมันจบที่ไหนเมื่อไรแต่ไงคุณน้องปฏิบัติอะไรไม่พูดเลยอยากอยากมากเลยนะปฏิบัติเนี่ยเมื่อไรท่านจะพาปฏิบัติสักทีไหนไหนพ อ, อมานี่สงสารตัวเองเลยนะ อันนะตัวที่มารู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยนะอันนะทบทวนว่าทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่าทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาเนี่ยนะทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทาเน้นตัวปัญญาก่อนนะปัญญาหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอนนะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิตัวนี้แหละเป็นตัวที่รู้อริยสัจเนี่ยนะสัมมาทิฐิที่แทงตลอดอริยสัจเนี่ยอย่างที่เราพูดกันมาในตอนก่อนว่าแบ่งออกเป็นสองยานะใช่ไหมคือตัวที่แทงตลอดอริยสัจนั้นเป็นปฏิเวทญาณเนี่ยนะปฏิเวทญาณปฏิเวทคือตัวบรรลุกับอนุโพธญาณ โพธะก็คือโพธิตรัสรู้ใช่ไหยอณุก็คือตามตรัสรู้ยานก็คือความรู้ความรู้ที่ตามบรรลุตามบรรลุตามบรรลุนั้นคือสุตามายะยานเป็นต้นเก็คือสุตามะยายานเป็นอาทิเสุตามะยะยานเป็นต้นเพราะว่าสุตามายะยานก็ถ้าเรียนปฏิสัมพิธามมาก็จะรู้แล้วว่าเนี่ย ทุกควรรู <basket> enrolled, <oons> ้ย <ains Doom. S 2> ิ่งทุกขสมุทัยควรรู้ยิ่งทุกขานิโรธควรรู้ยิ่งทุกขานิโรธถาขาม่มีปฏิปทาควรรู้ยิ่งทุกควรรู้ยิ่งด้วยการกําหนอรู้สมุทัยควรรู้ยิ่งด้วยการละนิโรธควรรู้ยิ่งด้วยการทําให้แจ้งนะมักรู้ยิ่งด้วยการทําให้ให้เจริญทุกรู้บรรลุเขาบอกว่าปฏิเวท่านเนี่ยนะทุกเนี่ยบรรลุด้วยการ กำหนดรู้สมุทัยเนี่ยบรรลุ ด, ด้วยการละนิโรธบรรลุ ด, ด้วยการทําให้แจ้งมรรคบรรลุ ด, ด้วยการทําให้เจริญเพรันในสุตมยะยานเนี่ยพู้เรื่องนี้เป็นลําดับแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อฟังมาเป็นอย่างดีพื้นฐานผู้ที่สุตะดีตามด้วยอะไรปกตินะถ้าฟังมาดีแล้วะนะศรัทธาฟังที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาที่บริบูรณ์ใชศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังอะไร พอมีศรัทธามากก็เอาเรื่องนี้มาคิดเยอะๆเพราะโยนิโสก็คือการคิดเรื่องอริยสัจนั่นแหละ <c oughs> ก็เอาเรื่องอริยสัจมาคิดมากๆมาโยนิโสพอโยนิโสมากขึ้นอะไรเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะจะดีสติสัมปชัญญะตัวนี้เนี่ยสำคัญมากมรู้ว่าทุกเป็นยังไงสมุทยัยเป็นยังไงมรรคเป็นยังไงนิโรธเป็นยังไงคือคืออันเนี้ย พื้นฐานความเข้าใจอันนี้เนี่ยไม่สับสนไม่ปนเปเลยอันนี้แหละเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะทันสติสัมปชัญญะอันนี้รู้เลยว่าแผลที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เลิกคิดอริยสัจก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะทําให้เกิดอะไรอินทรีย์สังวรเนี่ยนะอินทรีย์สังวรก็จะเกิดขึ้นสํารวมเลยรับพอมีอินทรีย์สังวรแบบนี้มากๆทําให้อะไร สุจริญสก็จะดีขึ้นเพราะว่าถ้าบําเพ็ญสุจริตสเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทุกขานิโรธคา ม, มินีปฏิปทาใช่ไหมถ้าทุจริตมากๆปฏิบัติตามแนวทุกขสมุทั ย, ยนะนำไปสู่ทุกขอย่างเดียวถ้าปฏิบัติสุจริตเป็นไปเพื่อทุกขานิโรธคา ม, มิหนีปฏิปทาเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าถ้าทุจริตไม่ใช่ประโยชน์สุจริญเป็นประโยชน์เฮ้พอเป็นประโยชน์เนี่ยเมื่อสุจริตดีก็มาทําอะไรก็มาทํากิจเนี่ย คนคว้าวิจัยในทุกขสัตว์ทำไมทุกขสัตว์มันจึงเป็นที่ตั้งแห่งสมุทยัทยสัตว์เมื่อไหรจึงจะเลิกจะเลิกทําเหตุอันนี้สัทีหนึ่งทำํทำยังไงจึงจะเลิกพอใจในอุปาทานขันสักทีหนึ่งเมื่อไหรจะทําให้แจ้งได้เพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นสติปัฏฐานนั้นสติปัฏฐานนั้นจเจริญแค่ครั้งเดียวพอไหมไม่พอก็ต้องจเจริญให้มากเป็นโพชฌงจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพาน ซึ่งโครงสร้างอันนี้ถือว่าจะต้องรู้เป็นลำดับแรกๆต้นๆเลยก็ดยได้นี่ต้เข้าไปไปกหนดรู้เะคจริแล้วเนี่ยจึงเข้าไปกหนดรู้ก็ไปวิจัยอื ใ, ใช่ทีนี้ตัวปัญญาเนี่ยนะอย่างสัมมาทิฏฐิ ที่เราคุ้นเคยกันฟังมากๆก็มีอยู่ห้าอย่างใช่หมนึ่งอะไรสัมมาทิฏิกรรมัสกตาสัมมาทิธิสองนะสองฌานสัมมาทิธิ 2. สมม 3. วิปัสนาสัมมาทิธิสมัคเนี่ยนะมัคสัมมาทิธิห้า ผลสัมมาทิฏฐิหรืออีกในหนึ่งก็ปัจจเวกด้วยปัจจเวกขณะสัมมาทิฐิกรรมมสกตาสัมมาทิฐิเนี่ยนะคือความรู้ในเรื่องทุกข์กับสมุทัยนะว่าตรงๆเลยเป็นความรู้ว่าทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเป็นต้นไอ้ความรู้เหล่านี้เป็น เป็นกรรมสกต้าพันธกรรมสกต้าที่บริบูรณ์จริงๆคือกําหนดปฏิจจสมุปบาทได้ทีนี้พอกําหนดปฏิจจสมุปบาทแล้วนะวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็พิจารณาว่าอาวิชาก็าไม่เที่ยงปัจจัยที่ทําให้อวิชาเกิดก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงอวิชาที่เป็นปัจจัยแก่สังขารก็ไม่เที่ยงนะเพื่อนี้ก็จะเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ ทีนี้วิปัสสนาสา ม, มาทิฏฐิเนี่ยมันคิดเรื่องไม่เที่ยงมันคิดได้นานไหมล่ะได้นานไหมคุณชูศรีไม่นานถ้าไม่นานก็ต้องไปเจริญสมถะควบคู่บ้างอะนะไปอบรมสมถะไปทําจิตแห้มสงบสงบะนะพอคิดถึงไม่เที่ยงะนะคิดถึงศัตรูเรามันก็ไม่เที่ยงเออดีดี ด, ด, ดีชอบอะนะพอไปคิดถึงโอ้คนนั้นเราชอบนะมันไม่เที่ยงเอ๊ะ อย่าเลยนะให้อยู่อย่างนี้นานๆเธอไม่กลา้าคิดไม่เที่ยงอีกนั่นแหละคือตัวโรคไม่ได้ไม่ได้เขายังดีอยู่นะอย่างงี้ยนะก็ไม่กลา้าเดี๋ยวเป็นการแช่งเขาไป็ซะอี ก, ก น, นะมันมันเป็นเอามากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องไปเจริญสมถะเนี่ยบริหารไม่ให้จิตตกไปในบาปและอกุศลเพราะทั้งสมถกะกับวิปัสสนานี่ควบคู่กันใช่ไหมพอเจริญได้ควบคู่บริบูรณ์ก็จะเป็น อริยมรรคเพราะสมถวิปชาญสา ม, มาธิวิปัสนาส ม, มาธิ ท, ที่บริบูรณ์ก็ย่อมยังมรรคให้บริบูรณ์เพราะมรรคเกิดผลก็เกิดอันนี้ตามสูตรเป็นอย่างนี้ทีนี้ต่อไปอันในแง่กรรมมสกตาสา ม, มาธินี้เราก็ผ่านนักเรียนระดับนี้เรียนแต่หัวข้อก็พอละ จันแดงก็ทิ้งต่างว่าเรียนมานานแล้วเออก็เรียนมานานจริงๆอ่ะไม่ได้ว่าเลยทีนี้ต่อไปนะมีคำคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือสัม ป, ช, ญญมปชัญญะนั่ปนะสัมปชัญญะเนี่ยนะก็ปชญญาอ่ะนะก็คือรู้ทั่วแต่รู้ทั่วพร้อมเลยนะ เป็นการรู้ทั่วรู้พร้อมเรียกว่าสัมปชัญญะซึ่งสัมปชัญญะนั้นแบ่งออกเป็นกี่ประการนะนึนน่สาธากะสัมปชัญญะนะมาจากคําว่าอัฏฐะบวกสาสา่ตัวนี้นะส่แปลว่าพร้อมก็บวกอัฏฐะเพรา ะ, ะนั้นถึงพร้อมด้วยอัฏฐะอัฏฐะในทีน่นี้ภาษาไทยเรียกว่าประโยชน์ อันนั้นก็คือสัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อมในความถึงพร้อมด้วยประโยชน์ <Okay. S 1> เขาฟังทำกันเจ้านี่มาบินไม่แน่นะพวกนี้ยังเคยฟังเรื่องอะไรนะข้างข่าวข้างข่าวแต่นี่ทะเลาะกันอย่างนี้ไม่ใชนน่นี่มาดูหนึ่งนะสาธกะสัมปชัญญะสาธกะก็คือตัวประโยชน์ตกตไกลไปตัว ท่านเคยสอนไม่ท้วงเลยต่อไปสัพพ า, ายะสัมปชัญญาเนี่ยนะสัพพายะสัมปชัญญา3โคจรสัมปชัญญาเนี่ยนะสอ่สามโมหะสัมปชัญญา อเธออ ย, อย่างพื้นฐานว่าศ า, า, าสตะสัมปชัญญะโดยลําพังเนี่ยศัพท์ว่าศาสะหรือประโยชน์เนี่ยนะประโยชน์แบ่งออกเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะประโยชน์ใหญ่ๆเนี่ยนะแบ่งออกเป็นสมอย่างคือห น, นะโลกนี้ประโยชน์โลกนี้ต่อไปประโยชน์โลกหน้าอริยศาสตรก็คือประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะถ้าแบ่งเป็นประโยชน์นะเนี นั้นพื้นฐานคนที่ที่จะเจริญวิปัสนาเนี่ยนะไอการรู้ประโยชน์อันนี้ถือว่าสําคัญที่สุดเนี่ยนะรู้ประโยชน์อย่างยิง่งรู้ประโยชน์โลกนี้ว่าเป็นยังไงรู้ประโยชน์โลกหน้าเป็นยังไงแล้วก็รู้ประโยชน์อย่างยิง่งคือการบรรลุอริยสัจนี่ถือว่าเป็นการแทงประโยชน์การแทงตลอดประโยชน์อย่างยิง่งซึ่งศาสกาะสัมปชัญญะนั้นก็คือพวกสุตะนั่นเอง พวกสุตะมาเป็นอย่างดีนะนะวันนี้อาศัยสุตตะเป็นหลักก็ลําพังให้คิดเองนะให้คิดเองรู้เองเนี่ยรู้ไหมอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นะหมอดสิทธิ์เลยนะถ้าสมมุติถ้าเกิดมาไม่มีคนแนะนํนสาสั่งสอนให้เรียนผิดเรียนถูกเรียนเอาเองเลยนะโดยที่มีคนเดียวอาจารย์สิทธัถานะที่เหลือเนี่ยนะภาษาริบุตรเนี่ยนะไปรู้คบอาจารย์มา9ก้าสบห้าคนภาษาดิบุตรนะ หลังจากที่ไปจบวิชาอาจารย์สรนชัยเนี่ยแกเรียน3วันจบวิชาอาจารย์เลยอาจารย์สรรชัยสอนอยู่สาวันหมดพุงเลยแล้วหลังจากนั้นแกตะรอนตะรอนเที่ยวถามอาจารย์เนี่ยห้าเอ่อเกคนไปก็แรกๆถามกเา็เขาก็ตอบได้ตอนหลงังไปเที่ยวตอบคําถามอาจารย์ทั้งหลายก็เลยหาไปอย่างเงี้ยเกคนตอนหลังอะนะคนได้96กก็พระอัสสชิไง จึงบรรลุธรรมอ่ะ น, นะท่านก็พ้นศาสตะเนี่ยนะการรู้อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยถ้าโดยลำพังทั่วๆไปวิสัยของอสาวกทั้งหลายก็ต้องเนี่ยสุตตะมยะปัญญาถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยตอนที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสแสวงหาปัญญาเหมือนพระพิสุทธิ์เที่ยวบินธบัตอย่างนั่นแหละ น, นะฝักใฝ่ามากในเรื่องการสแสวงหาปัญญาท่านพอในตอนท้าสุดท้ายก็ไม่มีปัญหาลนะ้สามารถแยกประโยชน์โลกนี้ เาชายศิษฐาแยกเลยประโยชน์โลกนี้คือจักรพรรดิสมบัติรู้เลยใช่ไหมพอบวชเข้ามาปั๊บเจริญสมถ t h จนได้เนวะสัญญานาสัญญายะตนะท่านรู้เลยว่าผลของมันคือโลกหน้าคือเนวะสัญญานาสัญญายะตะนะอายุ 84% ดหมี่พกับท่านรู้เลยรู้รู้ ร, รู้มองออกเลยแล้วก็ปกติถามว่าท่านเห็นเทวดาไหมบอกว่าเทวดาเนี่ยคือยามของท่านท่านไม่ได้แปลกใจเลย ตั้งเป็นยามตั้งแต่พร ะ, ะพระโพธิสัตว์ยังลงสูค่ครนพระนางสิริมหามายานะตั้งวันนั้นเท้าจตุโลกบาลมาเป็นยามให้ตลอดเป็นเหมือนกับเจ้าหนะ้าที่ดูแลประตูดูแลอะไรธรรมดาเนี่ยะนะจะไม่ปรากฏตัวให้เห็นก็ตอนที่นางพระนางเสวยกับอาบน้ําเป็นต้นนะจะไม่ปรากฏตัวให้เห็นแต่เวลาอื่นนี่จะปรากฏตัวตลอดเพราะฉะนั้นการเห็นเทวดานี้ถือว่าเป็นเรื่อง ปกติของท่านเลยไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใจอะไรเนละไอ้โลกหน้าแบบธรรมดาเรียกว่ากามสุขตุติแต่ว่าโลกหน้าของอย่างพระ อ, องค์ก็ต้องระดับโน้นเลยรูปฌานอารูปฌานนั่นแหละท่านรู้เลยเพราะฉะนั้นประโยชน์เลาะอย่างพรหมเลาออย่างพรหมเนี่ยนะตอนตอนที่ท่านอยู่ในวงังท่านก็เห็นเทวดาไหมพอออกบวชเจอคติการะช่างหม้อที่เป็นเพื่อนเก่านะเป็นพรหมนาคาเมีที่เอาผ้ามาให้อนะ่ะ พระพรหมก็เห็นแล้วพอมาเจริญสมถะอีกก็ได้เนวสัญญาณาสัญญายาตนะท่านก็คํานวณอยู่แล้วว่าพวกนี้เป็นประโยชน์โลกหน้าที่มีอยู่แต่พระองค์ไม่ได้ต้องการโลกนี้ไม่ต้องการไหมจักรพรรดิสมบัติไม่ต้องการโลกหน้าเนวสัญญาณาสัญญายาตนะไม่ต้องการอีกแล้วอะไระคือประโยชน์อย่างยิ่งที่ท่านต้องการที่ใช้คำว่าสแสวงหาสันติวรบทนีย่ยนะ บทอันประเสริฐคือความสงบกับสแสวงหาว่ากิ่งกุศลก็คืออะไรคือกุศลแต่กุศลที่ท่านต้องการเป็นกุศลอันนี้เป็นมรค ก, กุศลอย่างเดียวเนี่ยนะท่านพอได้เนวสัญญานาสัญญายตนะท่านรู้เลยว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการเพราะท่านต้องการหาบทอันสงบกับกุศลที่ทำให้ถึงบทอันสงบอันนั้น ถ้าเป็นปุตตุชนทั่วๆไปเนี่ยนะที่เป็นกลุ่มวิสัยสาวกอาศัยสุตะถ้าเป็นพระโพธิสัตว์อาศัยจินตะในเรื่องศาธกะเนี่ยนะการรู้ประโยชน์นะสมมุติว่า <c oughs> พ่อเราจะเดาหนึ่งว่าพระองค์ที่ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วนี่นะฮะพระองค์ก็ยังรู้เออนี่มันเป็นยังเป็นเป็ น, ปนสังคตาธรรมอยู่ยังไงยังไงสิ่งธรรมอันนี้ก็มาจาก มาจากเหตุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตามใดที่ยังมีเหตุอยู่มันก็ไม่มันคงอยู่นั่นแหละก็ด้วยเหตุผลเยอะนะพระโพธิสัตว์เนี่ยคำนวณออกกัแล้วว่าเนวะสัญญามีอากินเป็นอารมณ์เนี่ยนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะมีอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์แล้วท่านมีกรรมสกตาเป็นอย่างดีกรรมสกตาท่านรู้เลยว่าอันนี้ผลจะเป็นยังไง เพราะท่านเป็นนักวิเคราะห์อยู่แล้วเนี่ยนะเป็นนักวิเคราะห์ที่เห็นอะไรหน่อยหนึ่งท่านเอาง่ายๆว่าท่านเห็นคนแก่เนี่ยท่านนอนไม่หลับอะตกใจมากะนะฮะพูดแบบภาษาเนี่ยบอกตกใจมากไปคิดทั้งคืนเลยนะโอ้เนี่ยแล้วแล้วแก่แล้วแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวคนอื่นก็แก่หมดด้วยหรือเนี่ยเนี่ยนะท่านคิดอย่างนี้ตลอดเลยทั้งเข้าเป็นนักเกล้ากวาดได้เรื่องมาเรื่องหนึ่งแล้วคิดไม่เลิกไม่ลาเพราะถ้ารับอารมณ์ใดๆเนี่ยนะที่ท่านไม่พิจารณาไม่มี อย่างในอันนะมีพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งนะชื่อว่าวิปัสสีโพธิสัตว์ตอนนั้นอายุยังเล็กเลยนะอ่ะนียังยังนั่งอยู่ในตักพ่ออยู่เลยนะอ่ะยังเด็กๆกันนะพ่อเขากําลังตัดสินคดีอยู่พระราชากําลังตัดสินคดีอํามาตย์ก็พวกสนมก็อุ้มพระราชโชรสเนี่ยไปพระราชาเห็นเออมากก็เอาลูกมานั่งตักพระโพธิสัตว์มานั่งตักวันนั้นเขาตัดสินคดีกัน อมาดก็วินิจฉัยโกงพาวิปัสสีเนี่ยร้องเลยอ่ะเด็กนิดเดียวนะร้องเลยนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็ทําไมมันทำไมทําไมพระราชโอรสจรึงร้องบอกเอางั้นวินิจฉัยใหม่พอวินิจฉัยตรงท่านเงียบเอ๊ะรู้รู้จริงงันก็เลยเอาใหมแกล้งโกงอีกร้องขึ้นมาอีกก็บอกว่าพระราชาเนี่ยเดือดร้อนนะบอกพ่อไม่สะเพร่าแล้วต่อไป นะเพราะว่าท่านมีความสามารถเท่านั้นแล้วท่านปกติพระโพธิสัตวนะ์มองไม่กระพริบนะมองไม่กระพริบแล้วก็ปกถ้าเป็นสายตาธรรมดาเนี่ยสิบหกกิโลเมตรโดยรอบทั้งกลางวันกลางคืนทั้งข้างบนข้างล่างมองเห็นอันนะทะลุหมดเลยไม่มีอะไรขวางกัน้น<ต>คือตอน อ, อยู่ในท้องแม่รู้สึกตัว่นี้รู้ตัวตลอดเลยเป็นคนที่รู้หมดเลยว่าตอนนี้กาลัง ตอนนี้กําลังจุตินะตอนนี้หลังจากนั้นหลังจากปฏิสนธิก็รู้แล้วตอนนี้ปฏิสนธินะตอนอยู่ในครันก็รู้มาตลอดเลยะนะเว้นปกติเวน้เวนแต่หลับนะถ้าตื่นมาแล้วรู้ว่าตอนนี้กําลังอยู่ในครันตอนคลอจากครันรู้ว่าตอนนี้กําลัตงตัวเองกำลังคลอดออกจากครันเนี่ยรู้ตลอดเลยเนีย่ยนะไม่มีขณะไหนที่หลงลืมแม้แต่นิดเดียวไม่มีแม้กระทั่งอย่างกลางวันกลางคืนนะท่านตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านเจริญอะโลกสินอยู่นะ ถ้าเป็นสมณะพราหมณ์ทั่วๆไปเนี่ยสำคัญกลางคืนเป็นกลางวันบ้างสําคัญกลางวันเป็นกลางคืนบ้างสมัยที่ตอนไปฝึกกสินนะถ้าพูดถึงคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเช่นว่าเจรินีลกกรสินอยู่แพนีลกสินในตอนกลางวันนึ ก, กว่ากลางวันเป็นกลางคืนเพราะมณฑสิการโดยความมืดไปหมดเลยนะไอ้นีลกสินก็คือกสินสีน้ําเงินอ่ะนะสีน้ําเงินมันก็สายเดียวกันกับ ถ้านโลกนี้เป็นสีน้ำเงินทั้งหมดจะเป็นยังไงมืดหสว่างเมืดเพราะฉะนั้นนี้แล้วก็ิีก็คือกลุ่มสีน้ำเงินอ่ะนะแบบดอกดอกผักตบอ่ะนะด อ, อกน้ำเงินน้าเงินดำๆน่ะนะทีนี้พวกสมณะพรามที่ที่สติสัมปชัญญะไม่ดีเนี่ยสำคัญว่ากลางวันเป็นกลางคืนทีนี้พวกที่เจริญอาโลกะสินอโลก ะ, กะสินเนี่ยแสงสว่าง พอเจริญกลางคืนแล้วมันมันสว่างไปหมดเลยพวกนี้ก็หลงนึกว่ากลางวันเห็นเลยเห็นจริงๆเห็นกลางคืนเป็นอ่าคือมันสว่างไปหมดเลยนะคือสว่างคนเดียวนะไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาไปสว่างด้วยนะเว้นไว้แต่ว่าได้อภินยาแล้วอธิษฐานให้คนอื่นสว่างด้วยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าถ้าลำพังคนที่เจริญเนี่ยเช่นเจริญเข้าอโลกสินแผ่ในตอนกลางคืนก็นึกว่าว่าเป็นกลางวัน พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านแยกแล้วก็สติสัมปชัญญะท่านดีด้วยนะสมมุติว่าวันเนี่ยคลึ้มทั้งวันเลยนะท่านรู้เวลานี้เป็นเวลาไหนเวลาไหนเวลาไหนแยกแยกได้ขนาดนั้นนะ่ะเพราะว่าช่วงนี้สมมติว่ามันมืดคลิ้มโบราณไม่มีนาฬิกาใช่ไหมท่านรู้ได้ยังไงวันนี้เที่ยงวันอยู่นี้นี้ไม่เที่ยงเอานี้นี้ช่วงนี้สมมติว่าเพานนะนี้เที่ยงวันแล้วนะนี้บ่ายเป็นต้นเนี่ยรู้ได้ยังไงจ อาบอกกลางกลางวันที่มันมืดครึ้มไปหมดเนี่ยนะฝนตกทั้งวันเนี่ยนะไม่มีนาฬิกาเลยอะ่ะก็ <c oughs> บอกว่าดูสังคือท่านเป็นนักสังเกตชนิดที่เรียกว่าเวลานี้ขณะนี้ควรจะเป็นเวลาเท่าไหร่อะไรเทา <c oughs> ่าไหร่นะมีเขาบอกว่านั่นพระโพธิสัตว์อย่าแปลกใจเลยมีพระเทระบางรูปในในประเทศศรีลังกาเนี่ยนะท่านเก่งแบบนั้นเหมือนท่านท่านเก่งมากรู้ว่าเวลาเนี่ยเพลนละ เวลานี้เป็นช่วงกลางวันช่วงเวลานี้เป็นเวลาเท่าไร่กี่โมงกี่ยามเนี่ยนะกำหนดได้ขนาดนั้น ก, ก็ของเราทั้งหลายไม่ได้ฝึกเรียนแบบนี้มานะอาศัยนาฬิกาไปตลอดแต่คนที่เขาเขาสังนักสังเกตมากมากเลยนะวันนี้ผ่านไปเท่าไรเหลือเท่าไรอะไรยังไงเนี่ยเขาจะรู้หมดเลย